แล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุณีสงให้สิกขาสมมติในธรรมโอ้อ่เป็นเวลาสองปีแก่หญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปีภิกษุทั้งหลายทรงเพิ่งให้สิกขาสมมุติอย่างนี้